เกี่ยวกับประเด็นเรื่องมงคลเนี่ยนะในสมัยพุทธกาลนี่ก็เป็นที่ทะเลาะเบาแวงกันว่าหาข้อยุติไม่ได้ว่าอะไรเป็นมงคลม น, มนุษย์ก็ถือกันเป็นพวกๆนับถือมงคลที่แตกต่างกันไปนะถ้ามนุษย์ถือแตกแยกเทวดาก็สงสัยไปด้วยไอย้อะไรคือมงคลกันแน่เทวดาก็สงสยัยเทวดาชั้นสูงก็เริ่มสงสัยไปจนถึงโน่นแหละถึงเทวดาชั้นดาวดึงดันบอกว่าจนถึงอคนิตรเ ท, ทวดาจริงๆก็ เทวดาเวนเทวดาที่เป็นพระอริยะเนี่ยนะผู้ที่เข้าใจผิดในข้อปฏิบัติทั้งหลายโดยทั่วๆไปก็จะถือสิ่งที่ไม่เป็นมงคลนั่นแหละว่าเป็นมงคลในเขาก็มีการเกิดการคิดในเรื่องมงคลอยู่12ปีก็ยังหาข้อยุติไม่ได้แต่บุคคลทั่วๆไปเวนพระอริยะถือ3 ส, สอย่างหรือถือถวาวรานะ3อย่างก็คือถวาวรห บางคนก็ถือจักขูทวานเป็นมงคลบางพวกถือสโสตทวานเป็นมงคลถือคานะชิวหาหรือกายทวานเป็นมงคลทางจากักรูทวานเรียกว่าทิฏฐะมงคลสโสตทวานเรียกว่าสุตตะมงคลคานาทวานชิวหาทวานกายทวานเรียกว่ามุตตะมงคลตกลงของเรามงคลข้อไหนคุณนองอไม่ใช่ใช่ไหมอันนึกว่าไปผัสทับใจอะไรสักอย่างหนึ่งนะ เ อ, เ, นะเอาเลยนะเจาเลยในมงคลเหล่านั้นเนี่ยนะก็เป็นข้อถกเถียงกันอยู่12ปีเนื้อเรื่องเนื้อหาก็ไปถึงเท้าสักกะเนี่ยนะเท้าสักกะก็บอกมงคลเนี่ยมันเกิดที่ไหนบอกเกิดที่มนุษย์ที่มนุษยโลกเพราะฉะนั้นบอกถามว่ามีใครถามพระพุทธเจ้าหรือยังบอกยังไม่มีใครถามเท้าสักกะก็เลยใช้เทพบระบรองหนึ่งให้ไปถามพระพุทธเจ้า ขณเดียวกันจริงๆแล้วเทวดาเนี่ยไปมากไปหาประมาณไม่ได้นับไม่หวาดไม่ไหวว่าเทวดามาประชุมพร้อมกันมากขนาดไหนเนี่ยนั้นเทวดาทั้งหลายก็มุ่งมาเพื่อที่จะฟังมงคลทีนี้ในหน้า169กเนี่ยนะกล่าวถึงเทวดาเนี่ยนะมาประชุมกันมากเหลือเกินแม้กระทั่งพื้นที่แค่ปลายเข็มเนี่ยนะมีเทวดาอยู่10 20 30หรือ40 50 60 70 แปดสิบองก็มีเนี่ยนะพื้นที่แค่ปลายเข็มเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเมืองสาวัตถีนะเป็นเมืองที่เทวดามาประชุมกันมากที่สุดเนี่ยนะมากที่สุดในในจำนวนมากะนะเพราะว่ามาบ่อยอะนะถ้าเทียบกับที่อื่นๆนะที่อื่นๆก็เทวดามาเยอะแต่ไม่มาบ่อยไม่ม า, มามากเท่ากับเมืองสาวัตถีเพราะฉะนั้นบริเวณเมืองสาวัตถีเนี่ยนะขุมขนตรงไหนบ้างที่ไม่เคยมีเทวดาแทรกอยู่ไม่มีอะ่ะ แต่ว่าตอนนี้ไม่เหลือแล้วนะสังขารทั้งหลายเป็นอย่างนี้แหละท่านเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเขาก็สงสัยในเรื่องมงคลใช่ไหมว่าโดยสรุปในหน้าหนึ่งเจ็สิบที่ผ่านมาว่าเทวดาและมนุษย์เป็นอันมากปรารถนาความสวัสดีจึงพากันคีดมงคลทั้งหลายขอพระองค์โปรดตรัสบอกมงคลด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ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 พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าอาเสวนาจะภาลานังปันติตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคมามุตตะมังนี่นะนี่ก็เป็นมงคลคาถาแรกกันนะอธิบายตามลําดับคําบทว่าอาเสวนาแปลว่าการไม่คบไม่เข้าไปใกล้ภาลานังเนี่ยนะพาลานังก็แปลว่าพานพานนี้โดยทั่ ว, วไปเนี่ยมีหลายความหมาย อันนะบางทีก็หมายถึงเราอ่อนก็ได้แปลว่าเด็กๆกันนะแต่ในที่นี้หมายชื่อว่าชื่อว่าเป็นพานเพราะเป็นอยู่หายใจได้คือสักมีชีวิตสักว่าหายใจเข้าออกว่างั้นอธิบายว่าเป็นอยู่โดยเพียงหายใจเข้าหายใจออกไม่เป็นอยู่โดยความเป็นผู้อยู่ด้วยปัญญานี่แหละเรียกว่าคนพา น, น, นนะเมื่อไหรที่เราหายใจทิ้งไปเปล่าๆนะไม่คิดประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งอนะ พวกเราเนี่แหละเนาะถ้าหากว่าถ้าเราเป็นคนพาณ น, นะพระ อ, องค์บอกว่าอยากคบคนพาณเนี่ยเราจะทำไงดีปฏิบัติยังไงเนะอะันนี่นะ <c oughs> ก็ไปนึกถึงพระพุทธเจ้าแทนก็แล้วกันบทว่าปัณฑิตานังความว่าชื่อว่าบัณฑิตเพราะดำเนินไปอธิบายว่าดำเนินไปด้วยคติคือความรู้ในประโยชน์ที่เป็นปัจจุบันและภายภาคหน้าจึงชื่อว่าบัณฑิต คำว่าบัณฑิตหมายถึงว่าผู้ที่ได้ประโยชน์ในโลกนี้และประโยชน์โลกหน้าจึงชื่อว่าบัณฑิตเสรวนาก็คือการคบการเข้าใกล้บัณฑิตทั้งหลายคือมีบัณฑิตเป็นสหายมีบัณฑิตเป็นเพื่อนพรักพร้อมด้วยบัณฑิตนั้นปูชาปูชานี่ก็คือการสการะเคารพนับถือการกราบการไหว้ ปูชนียานังเนี่ยนะปูชนีกับปูชนียานังอันเดียวกันหมายถึงว่าผู้ควรบูชาสรุปในคาถานี้ว่าเอตมังคมามุตตมังที่บอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประมวลการไม่คบคนพานหนึ่งการครบบัณฑิตหนึ่งการบูชาผู้ที่ควรบูชาหนึ่งทั้งหมดเอตมังคมามุตตมังเป็นมงคล ส่วนเกี่ยวกับลักษณะคาถาในด้านภาษาบาลีก็ไม่อธิบายเยนะส่วนคำว่ามงคล น, นี่จะสา ว, ว่ามงคลอยู่หน้าไหนเนี่ย หน้าหนึ้านะคำว่ามงคลนะนับลง4หบรรทัดนะนะนับลงห้าบรรทัศชื่อว่ามงคลเพราะสัตว์เจริญรุ่งเรืองด้วยคุณเหล่านี้อธิบายว่าสัตว์ถึงความสำเร็จและความเจริญถ้าแปลเ อ, อกในหนึ่งก็คื อ, อเหตุให้สัตว์เนี่ยได้รับความสำเร็จและเป็นเหตุที่ทำให้ได้รับความเจริญ ผลเหตุแห่งความสำเร็จและเหตุแห่งความเจริญชื่อว่าเป็นมงคลอัน น, นก็คือเหตุแห่งความเจริญนั่นเองผล <c oughs> หน้าล่างๆ ล, ล, ลงมาอีกกันนะนับลงหนึ่งสองสามี่ห้าหกดแดเกนับลงสิบรรทัดบรรทัดที่10บที่สิกล่าวว่าบทว่ามังคลังได้แก่เหตุแห่งความสําเร็จเหตุแห่งความเจริญเหตุแห่งสมบัติทุกอย่างว่างั้น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 เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้เขาจำอะไรบอกเป็นคำท้ายสุดนนะอยากให้เขาประทับใจในคำไหนคำนั้นเอาไว้พูดตอนท้ายเขาบอกงั้นนี่ก็เหมือนกันคำแรกก็บอกอย่าไปขับตรงนั้นนะนะแล้วก็พูดอีกอย่างหนึ่งเขาจะจำแม่นเหมือนผู้บอกทางก็เหมือนกันอย่าไปซ้ายจงไปขวาก็จำแต่ขวาขวาขวาไว้ก็ไปแต่ขวาไว้ก็จะถูกเองแหะ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 ฉลาดรู้ทั้ง ส, สิ่งที่ไม่ใช่ถิ่นของมัจจุคือพนิาพาเนี่ยไม่ใช่ถิ่นของมัจจุรานนนชนะฉลาดรู้บ่วงมานบ่วงมานก็คืออะไรพวกบาปอากุสลทั้งหลายนี่แหละเรียกว่าบ่วงมานเบ็ดมานฉลาดรู้ทั้งสิ่งที่ไม่ใช่บ่วงมานคืออริยมรตเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยตรัสเกิดวันโล ก, กียะพร้อมทั้งต้นเหตุโลกุตระพร้อมทั้งต้นเหตุพระองค์รู้หมดเนี่ยนะรู้จัก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 ทั้งการครบคนพาณ น, นั้นก็ไม่เป็นมงคลไอทิฐิทิฐิที่ถือมงคลด้วยการเห็นถือมงคลเพราะการฟังถือมงคลเพราะการทราบเนี่ยนะมาจากไหนก็มาจากไปคบคนพาณ น, นะะเพราะฉะนั้น้คนพาณ น, นี่แหละมันเป็นต้นเหตุแห่งมิจฉา ม, มงคลสารพัดนะนั่นก็ถือเอาคนพาณ น, นี่แหละไม่ควรครบนี่เป็นมงคลข้อแรกกว่านั้นนะ <c oughs> การที่ไม่คบไอเจ้าลทัทธิมงคลทั้งหลายนี่แหละเป็นมงคลแล้วละ่ะ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 เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ในโลกทั้งสองจึงตรัส ก, การไม่คบคนพาลและการครบบัณฑิตก่อนแกเทวดาและมนุษย์เหล่านั้นว่าโดยรวมๆนะพระองค์เป็นผู้ที่ตำหนิการครบคนพาลสันเสรินการครบบัณฑิตคนพาลที่พระองค์ตำหนิไม่คบเพราะทำลายประโยชน์ทั้งสองเนี่ยนะอย่างค้าขายขาดทุนบางคนก็ตาหนิพวกก่อนใช่ไหมอันนั ผลประโยชน์ในชาวโลกเหมือนกันนะไปเสียหายบางเรื่องไอ้เจ้านั้นนะ่ยมันพาไปถ้าไม่เชื่ อ, อเจ้านั้นนเราไม่เสียหายขนาดนี้หรอกเ น, นะอันนี้แหละแบบแบบเครื่ประโยชน์โลกนี้นะถ้าประโยชน์โลกหน้าก็ในิย่เดียวกันใช่ไหมแต่ว่าประโยชน์โลกหน้าสาัตว์ที่ไม่มีกรรมสกตาก็ไม่ค่อยรู้ว่าเออเสียประโยชน์หรือไม่เสียบางทีก็แยกไม่ค่อยออกนั่นแหละบางทีนึกไม่ออกเลยเนะียถ้าไปยิ่งโลกนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิโลกหน้าเป็นเดรัจฉานจบเลย เนี่ยนะอันนี้สนิทบอดตลอดการโดยไม่มีโอกาสมารู้ตัวเลยว่าไปยังไงมายังไงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอันหนักค่อนข้างหนักมากๆเลยนะการโ ค, รคน่นพานนะึงเพราะประโยชน์โลกนี้ก็เสียหายใช่ไหมคนที่แจ้งแจ้งส่วนใหญ่นี่เพราะเพื่อนนะส่วนหนึ่งเลยเนะีส่วนหนึ่งอะ่ะเพราะเพื่อนแท้ๆเลยแต่ทีนี้เพื่อนมันก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครเหรอนะี่เพราะว่าเพื่อนเราก็ดีหมดอต่ไม่มีใครเสียหรอกโดยมาก สันเสริญการคบบัณฑิตเพราะทําให้ได้รับประโยชน์ทั้งโลกนี้และโ ล, โลกหน้านี่มาขยายโดยละเอียดอันนี้ในหน้า172เนี่ยขยายพอเป็นอุทาหรณ์ตัวอย่างขยายโดยอัดพอเป็นตัวอย่างนี้มาดูขยายภาคพิสดารมีมหาพิสดารมากกว่า น, นี้อีกนะจะอ่านไหมจะบอกให้ไปดูในมังคลัตทีปนีแปลเนี่ยนะฉบับมหามงกุฎอนะไรนั้นมหาพิสดารในมงคลเนี่ยนะ ดีท่านมายกพระไตรปิฎกมาทั้งหมดแล้วมาจําแนกตามแนวมงคลจริงๆมงคลก็คือพระไตรปิฎกทั้งหมดนั่นแหละนั่นแหละคือมงคลนั่นแหละนนเมื่อใดที่เราอเห็นว่าการอ่านพระไตรปิฎกการคิดพระไตรปิฎกการฟังพระไตรปิฎกปฏิบัติตามพระไตรปิฎกว่าเป็นมงคลเมื่อนั้นก็จเจริญแน่นะถ้าเอาย่อๆแค่นี้ก็นี่แหละไม่ต้องไปศึกษาอย่างกว้างขวางอย่างอื่นก็ได้นี่นะถ้าจะแบบย่อๆนะทีนี้ต่อไปคําว่าพานเลยนะ บอกว่าสัตว์ทั้งหลายทุกประเภทผู้ประกอบด้วยอากุศลกรรมบทมีปานาปฏิบัตเป็นต้นเชื่อว่าเป็นผานในจำนวนภานและบัณฑิตเพราะฉะนั้นขณะใดที่ล่วงกรรมบทสิบประการขณะนั้นผานภ า, าละนะเช่นขณะที่ฆ่าสัตว์ขณะนั้นก็ภานอัธ ร, รมทินนาทานกาเมสุมิจฉาจารมุสาวาตปิสุณาวาจาพฤทวาจาสัมผัสตลาปะอภิชา พยาบาทมิชาทิฐิตอนนั่นแหละเป็นผานคนผานเหล่านั้นจะรู้ได้ก็ด้วยอาการทั้งสามเหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายผานละลักษณะคือลักษณะของคนพานสามอย่างเหล่านี้อ น, นะสามอย่างเป็นไหนะคนผานถ้ า, ถาจะถ้าจะทำก็ทำแต่ความชั่วถ้าจะพูดก็พูดแต่ชั่ว ถ้าจะคิดก็คิดแต่ชั่วเพราะฉะนั้นคนพานถ้าคิดจะทํานะเนี่ยไม่ฆ่าก็รักไม่ลักก็กาเม่สามอย่างถ้าคิดจะพูดพูดปดซอเสียดเพอเจอร์คำหยาบพูดวนๆอยู่แถวนี้นะถ้าคิดน่ะคิดจะเอาเนี่ยนะอภิชาใช่ไหมคิดพยาบาทคิดจะทําลายคิดแล้วก็เป็นมิจฉาทิฐิอันนี้เป็นลักษณะเป็นยี่ห้อเป็นเครื่องหมายของคนพานอันนี้เรียกว่าวิธีเช็คอ่ะนะ เครื่องมื อ, อไว้ตรวจสอบเอาเครื่องมือนี้ไปแต่ถ้าพูดแบบห ย, ยาบๆเลยนะเอาแบบเห็นๆ เ, เลยก็คือครูทั้งหปุรณกัสปะอชิตะเกษะคัมพลมคคิลโกสารใครเองสันชัยเวรัตบุตรปักกุฎปักกุฎะกัจจยนะเนี่ยนะพวกนี้เป็นเป็นคนพามทั้งนั้นแหละแต่ถ้าเป็นในาศาสนาเราเลยคือพระเทวทัตเทวทัตนี่ชื่อดีนะแต่ว่าพระเทพระรูปนี้มาใช้ซะเสียหมด เทวะเนี่ยเทวดาใช่มัดตับแปลว่าให้เทวดาให้มาเนี่ยนะเสียหายมากเลยนะชื่อนี้นะตอนหลังไม่มีใครมาตั้งชื่อลูกชื่อล้านเลยพระเทวทัศตมาทำเสียอยู่คนเดียวนะจริงแปลว่าเทวดาให้มานะถ้าโดยศัพท์นะแต่นี่ศัพท์ตั้งตามชอบใจนะอย่างเช่นพระเจ้าพรห ม, มทัพเนี่ยก็คือพรหมให้มานคนชื่อพรห ม, มทัพยังไม่ค่อยทําเสียก็เลยยัง <laughs> เลยก็ยังรักษาชื่อเอาไว้ส่วนพระโกกาลิกะ อันนะั้นก็คือเพื่อนเพื่อ <S <S เพื่อนสนิทของพระเทวทัพนั่นแหละกะตะโมทะกะนนะติสะขันดาเทวีบุตรสมุทททตะนนะพวกนี้ก็สมัยพุทธกาลนั่นแหละพวกนี้ไม่ไม่ดีอ่ะนะนางกินจะมานวิกาเป็นต้นอันนี้ถ้าผู้หญิงนางมาคันธยาเนี่ยนะนางกินจะมานวิกานางมาคันธยาหรือพี่ชายของทีฆวิทนะนนในครั้งอดีตสมัยโน้นเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าคนพาน สมัยนี้ห้ามไปเอ่ยชื่อเขานีเดี๋ยวเขาเดี๋ยวจะลําบากนะคนโน้นเลวคนนี้ใช้ไม่ได้คนโน้นก็พานอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเขาบอกว่าเอาแล้วแกเป็นบัณฑิตนักหรือยังไงเนี่ยนะแดีวก็จะสวนมาแล้วจะลําบากอีกก็เลยส่วนใหญ่ก็จะยกเอาตัวอย่างสมัยนน้นเนี่ยนะอเงี้ยนะถ้าเป็นบัณฑิตนะยกสมัยใหม่ๆนเนี่ยเขาชอบเพ <c oughs> ราะว่าใครมั่งอยากเป็นพานใช่ไหม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 ความเห็นที่ตนถือเอาไว้ไม่ดีเหมือนเรือนที่ถูกไฟไหม้คนพาเนี่ยเวลาเกิดขึ้นเนี่ยทาความชีพหายให้แก่ตัวเองก่อนเสร็จแล้วในที่สุดนําความชีพหายไปหาคนอื่นต่อไปเปรียบเหมือนเรือนที่ถูกไฟไหม้เรือนที่ถูกไฟไหม้เป็นยังไงมันลามมันไม่เรือนนี้ก่อนแล้วมันลามไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยนะอย่างเช่นบ้านติดติๆติดติดกันเนี่ยถ้าไหม้หลังหนึ่งเลยนะหลังอื่นก็เป็นอันวอดวายหมดเลยแหละ เปรียบเหมือนพี่ชายของทีฆาวิทะลม้มลงนอนหงายด้วยอัตภาพประมาณ60โยต์หมกไหมอยู่ในมหานรกอยู่ถึงสี่พุทธันดรโอ้ยาวมาก่ะนะคิดดูว่าแผ่นดินเนี่ยปกติหกทางธรรมะถือว่าแผ่นดินเนี่ยค่อยๆสูงไปเรื่อยๆนะเอ่อยีประมาณสัก20กิโลเมตรเนี่ยโดยเฉลี่ยนะ20กิโลเมตรต่อพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์พอถ้าสี่องค์ก็หนาสัก80ิกิโลเมตรเนี่ยนะ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 มันเห็นผิดแล้วมันอะไรทั้งสอนทั้งบอกทั้งกล่าวทั้งสนับสนุนทั้งส่งเสริมสารพัดเนี่ยนะมันก็มีการชักชวนมากมายมหาศาลทีนี้มาดูอุปถาก5 0าร้อตระกูลเนี่ยนะพวกศิษย์ทั้งหลายกนกุติก็ตกนรกห้าร้อตระกูลเลยที่ชอบใจในทิฐิความเห็นของพี่ชายของทีฆาวิทะนั้นเข้าอยู่ร่วมเป็นสหายของพี่ชายของทีฆาวิทะนั่นแหละ หมกไมมอยู่ในมหารกฉะนัน้นนะชวนบริวารเพียบเลยนะไม่ปปขอไปคนเดียวใช่ไหมไม่เหงาไม่เหงาดีคือพวกพวกมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะเขาทิฏฐิเขาเกิดขึ้นเนี่ยเขาไม่ได้คิดอยู่แต่ในใจเพราะทิฏฐิมันทําจิตตชรูปใช่ไหมมันทำวิญญาติรูปด้วยมันก็พูดออกมามันทําทั้งกายวิญญาตทําทั้งวจีวิญญาตถ้ายิ่งคนมีบุญเก่ามากเท่าไหร่นะโอ้ยพูดรายคนเชื่อหมดเนี่ยนะ ก็อย่างที่เขาพูดถึงไทยนะในโลกเนะี่ยชาวเยอร ม, มันนะนะฮิตเลอร์นะเออก็มีบุญมากพูดอะไรคนเชื่อหมดเลยอะ่ะก็มีหลายคนนะที่เรียวแบบพูดอะไรแล้วคนเชื่ออันนี้คือบุญเก่ามันให้ผลอที่บอกว่าตถาคตคือเป็นผู้ที่ก้าโลง่งทิฏฐิที่จะพึงให้ผู้อื่นรู้เนี่ยมันเข้าเรื่องกับทิฏฐิตรงนี้ยังไงครับเจนิญพรก็ใช่เพราะว่า พวกมิจฉาทิฐิเนี่ยน ะ, ะมิจฉาทิฐินี่ถ้าถ้าเรายอลองมาแยกดีๆนะว่าพวกมิจฉาทิฐินะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นแหละที่มีสัมมาทิธฐิแล้วมุ่งจะให้ผู้อื่นรู้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นพระประเจกล่ะจะไปสอนเขาอย่างไงมันยากเหมือนกันนะที่จะไปนึกแม้แต่แม้แต่นึกนะแผ่ไปเนี่ยนะสมมติเรามีญาติยี่สิบคนสมมตินนะ เราเคยไม่ว่าขอให้ทั้งยี่สิบแตกฉันในพระไตรปิดกกล้าคิดอย่างนี้ไหมตตอตารยสันติเคยคิดขนาดนี้หรือยยังไม่กล้าคิดนะคิดยังไม่กล้าจะกล่าวไปยายถึงพูด น, นนะน่ะอจานิดเคยลองหรือยังขอให้คุณแม่แตกฉันในพระไตรปิฎกทิฐิตัวนี้ยังแค่นึกยังไม่ค่อยจะนึกใช่ไหมแต่ถ้าเป็นทิฏฐิธรรมดาง่ายๆที่ไม่ใช่สายมักตามพระไตรปิดกนะ โอ้นี่ไม่ยากจะเอาพวกสักเท่าไหร่ล่ะเนี่ยนะก็สื่อกันไม่ค่อยยากนะฟังแนละ้วเข้าใจทันทีเลยเพราะนั้นตามแนวพระไตรปิฎกเนี่ยทิฏฐิตามพระไตยปิฎกหรือสัมมาทิฏฐิเนี่ยมีบางกลุ่มที่เรียกว่ารู้ขอรู้แต่เพียงผู้เดียวไม่ขอสอนใครหรอกอันนี้ก็เป็นอะไรอัธยาสัยน้อมไปเป็นพระปัจเจกนะแต่ถ้าเป็นพวกสายมิจฉาทิฏฐิไม่เป็นอย่างนั้นบางรัฐที่นี่บอกเลยใช่ไหมถ้าไม่ชักชวนคนอื่นให้รู้ถือว่าบาปใช่ไหม ถ้าชักชวนให้คนอื่นรู้ถ้าชักชวนมากเท่าไหร่ได้บุญมากเท่านั้นก็เลยทำการใหญ่เลยคันนี้คือแต่ก่อนนี้นะเข้าใจงูงูประปลาเนะ่ยมก็อยากจะเผยแพร่เต็มทีเนีเราจะสังเกตเห็นว่าเรื่องมิจฉาทิฏฐินี่นะคนที่มีมิจฉาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิเียว่าเขาเองก็เห็นว่านี่น่ละเป็นสัมมาทิฏฐินี่แล่ละเนก็ก็า เก็บไว้ไม่ค่อยอยู่ครับอยากจะเผยแพร่เต็มที่เลยนะเพราะนั้นบุคคลที่เก้าล่วงทิฏฐิหกสิบสองเนี่ยเก้าล่วงทิฏฐิหกสิบสองได้นี่หมายความว่าหมายความว่าข้างหลงังได้ยินไหมคุณชูศรีได้ยินไหมเสียงพวกการได้ยินไหม คือมันเป็นธรรมชาติอย่างนะครับที่ที่ที่มีความเห็นแล้วเนะี่ยมันเก็บไว้ไม่อยู่ครับมันอยากจะเผยแพร่เนี่ยนะแล้วยิ่งถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะก็อยากจะเผยแพร่เร็วๆด้วยนะมากๆากเนี่กแตพอมาเรียนรู้จริงๆครเราเออเผยแพร่ไม่ค่อยออกเลยไม่รู้จะเริ่มยังไงนะแปลงจริงๆนะครับก็ใครเผยแพร่พระไตรปิฎกได้แล้วก็ ประสบความสาเร็จนะก็ขออนุมโมทนาด้วยนะไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงครับเวลานี้นะไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีนะเขาบอกมีเวลานิดเดียวเนี่ยสองสามชั่วโมงจะมาให้าอาธิบายนะบอกให้เข้าใจธรรมะหมดปัญญายจริง แ, แต่ก่อนนี้สบายมากนะ <c oughs> ตอนนี้ไม่อยากให้ใครรู้ด้วยเลยเลย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 ไม่งั้นเน่ยเชื่อไหมทำไมจะต้องพระพุทธเจ้าเนี่ยทยอยกันมาทีละองค์ทีละองค์บางทีว่างไปเป็นหลายๆอาสงไขยจึงมาองค์หนึ่งทําไมไม่มาทุกระยะระยะระยะเนี่ยนะเหมือนกับตำแหน่งทั่วทัวไปใช่ไหมไม่ค่อยให้ว่างเลยในชะ่ไหแหน่งรัฐมนตรีนี่ว่างบ่อยไห ม, ไ ม, มนะม ว, ว่างไม่กี่ชั่วโมงมัม้งถือข้าแล้วแต่ตำแหน่งพระพุทธเจ้าทำไมว่างหลายพุทธันดรมากเลยนะบางทีก็ว่างหลายอสงไขยมากมากเลยนะเพราะอะไรเนี่ยนะจึงรู้ว่าไม่ง่ายเหมงอนกัน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 มิจฉาทิถิเนี่ยนะถ้าทิฐิเกิดขึ้นแล้วมันจะลุกลามประดุดไฟไม่เรือนเนี่ยนะอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายไฟนี่ลามจากเรือนไม้อ้อหรือเรือนหญ้าย่อมไหม้แม้เรือนยอดซึ่งฉาบไว้ทั้งข้างในทั้งข้างนอกกันลมได้ลงกรอนสนิทปิดหน้าต่างไว้ไว้ฉันใดเนี่ยนะเปรียบฉันใดหมายถึงว่าถ้าถ้าเราลองมองว่า บ้านบ้านมีทั้งบ้านตึกกับบ้านไม้บ้า น, านผุๆเก่าๆบ้านย่าเนี่ยนะไม่บ้านย่า ก, ก่อนใช่ไหมมันลามจนถึงตัวอาคารใหญ่โตเนี่ยไม่สัเกเลี้ยงฉันใดดูก่อนพิสู่ทั้งหลายภัยทุกชนิดภัยนี่แปลว่าน่ากลัวสารพันสิ่งที่น่ากลัวทุกชนิดย่อมเกิดเปรียบเหมือนฉันนั้นเหมือนกันภัยเหล่านั้นทั้งหมดเกิดจากทานไม่เกิดจากบัณฑิตอุปัทวะแปลเป็นไทยๆว่าอุบาท อุบาทถูกอย่างย่อมเกิดจากคนพาลไม่เกิดจากบัณฑิตอุปสรรคทุกอย่างย่อมเกิดจากคนพาลไม่เกิดจากบัณฑิตดูการพิสูจนทั้งหลายดังนั้นแลคนพาลเป็นไทยบัณฑิตไม่เป็นภัยคนพาลนี่อุบาทบัณฑิตไม่อุบาทคนพาลเป็นอุปสรรคบัณฑิตไม่เป็นอุปสรรคแต่เชื่อไหมบอกตรงๆไม่มีใครคิดว่าตัวเองเป็นพาล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 อันนี้อุปมาในยะแรกว่าภัยเนี่ยเกิดจากคนพาณิชใช่ไหมคนพาณเนี่ยเวลาเกิดภัยขึ้นมันลามไปที่อื่นลามลามกระจายไปเรื่อยอันนี้ในที่หนึ่งนะอันหนึ่งคือในที่สองอัประไหนในที่สองกล่าวว่าคนพาณเนี่ยเปรียบเหมือนปลาเน่าผู้คบคนพาณ น, นั้นก็เหมือนกับห่อด้วยใบไม้ที่ห่อปลาเน่าย่อมประสบภาวะที่วินยูชนทอดทิ้งและรังเกียจผู้รู้เขาจะรังเกียจนะนะ สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า น, นรชนใดผูกปลาเน่าด้วยใบยด้วยปลายหญ้าคาแม้หญ้าคาของนรชนผู้นั้นก็มีกลิ่นเหม็นเน่าฟุ้งไปด้วยการคบคนพานก็เป็นฉังอย่างนั้นาไม่ต้องหญ้าคาก็ได้หญ้าอย่างอื่นก็ได้สมัยเด็กๆเกนี่ยนะที่ตามาสายเบ็ด